ไม่ใช่บอกฉันสาธทีได้ไหมหลายวันก่อนเห็นทันนั้นเป็นข่าวเกิดเรื่องราวมากมายหลายคนบอกฉัน g o d เธอบอกฉันสักทีได้ไหมเขาลือว่าเธอเป็นคนหลายใจต่างก็พูดกันไปทุกคนกล่าวหาจนเป็นเรื่องใหญ่ ความจริงอยู่ในใคร บอกฉันสาทีได้ไหม บอกฉันสทัทีได้ไหม